การภาวนาเป็นการเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนทุกกลายเป็นไม่ทุกหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนอาจารย์คะ การภาวนาจะเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกหรือว่าเปลี่ยนทุกให้เป็นไม่ทุกได้จริงเหรอคะครับก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้ปลารพบเอาไวา้เพราะว่าการภาวนาเนี่ยก็หมายถึงทําจิตให้เจริญคือความขยันรู้เนี่ยท่านหลวงพ่อคำเขียนจะเน้นว่าขยันรู้การขยันรู้เนี่ย รู้นี่คือรู้สึกตัวกยันรู้สึกตัวนี่แหละก็คือการภาวนาที่จิตใจของเราเนี่ยมันร้ายมันเป็นทุกข์มันหลงนี่ก็เพราะว่าเกิดจากขาดสติขาดการภาวนาทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวจิตมันก็พ้นออกมาจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวจิตมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนจากสิ่งเดียวร้ายซึ่งเรียกว่าเป็นความหลงมากลายเป็นความดีของจิตได้ทำให้จิตร้ายกลายเป็นจิตดีทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากจิตที่เป็นทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์เนี่ยสรุปแล้วความร้ายก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเกิดจากความหลงเกิดจากความหลงของจิตหลงไปกับอารมณ์ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับทาให้จิตนี่มัน รู้ให ม, มันตื่นตื่นออกมาจากความหลงถ้าจิตตื่นออกาจากความหลงแล้วก็เปลี่ยนจากล้ายเป็นดีทั้งนั้นถ้าจิตตื่นออกมาจากความหลงอะไรแล้วก็ก็เปลี่ยนจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการภา ว, วนาคือการขยันรู้ขยันรู้สึกตัวเมื่อขยันรู้สึกตัวก็ทําให้จิตมันจเจริญมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เพราะว่าจิตมันเริ่มมีปัญญามันฉลาดฉลาดที่จะอยู่เหนืออารมณ์ร้ายอารมณ์ทุกข์ได้ เปลี่ยนได้และอย่างของตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะอาจารย์มาเลือกการเจริญสติด้วยวิธีแบบเคลื่อนไหวนะคะคตามแนวของหลวงพอ่อเทียนจิตสุโพเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีของกายานุปัสนาสติปฐานใช่ไหมคะคมีเพื่อนของเราสงสัยคะ่ะสงสัยว่าการเจริญสติของอาจารย์ด้วยวิธีนี้เนี่ยอาจารย์มีเป้าหมายในการใช้ชุดยังไงถึงมาเจริญสติครับ ในยามที่เรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์แล้วก็หาทางออกของชีวิตไม่ได้ก็เป็นส่วน ท, ที่โชคดีที่ได้รู้จักกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อคําเขียนรู้จักแนววิธีการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนแล้วก็ได้รู้จักกับกัลยาณมิตรที่ฝากไใยในการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้รู้จักบคุคคลเหล่านี้ และโชคดีขึ้นมีก็คือเราได้รับการแนะ น, นําแนะนําว่าให้เจริญสติสิคือการอาศัยกายที่เรามีอยู่นี่แหละให้เป็นประโยชน์นะกายที่มันพิการมันสร้างประโยชน์อะไรกับเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ในการเอามาปฏิบัติธรรมเอามาเจริญสติตามดูตาม ร, ามรู้กายไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็ช่วยทําให้เราเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้โดยเฉพาะ ชีวิตของคนเราเนี area, mm ่ย hmm. มันหนีไม่พ้นเรื่องของกายกับเรื่องของจิตก็เอาจิตเนี่ยไปรู้กายซะในอิริยาบถต่างๆเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วกายที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันทาไม่จิตมันซึมไม่จิตมันหลับได้การที่เอาจิตเนี่ยไปรู้กายเนืองๆในอิริยาบถต่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ชีวิตการทำหน้าที่การทำงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยกายเคลื่อนไหวทั้งนั้นเลยทีนี้เราก็ไม่เคลื่อนไหวฟรีฟรีทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวมีการขยับตัวให้เราเติมความรู้สึกตัวลงไปแทนที่จิตมันจะปปรุงแต่งกับอารมณ์ต่า ง, างในเรื่องของความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราก็อาศัยจิตเนี่ยมารู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายซะการดื่มนาม้า ก็ให้รู้สึกการแปลงฟันการทานอาหารการจะพริกตัวการจะแต่งตัวจะหยิบจะฉวยอะไรเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวทั้งนั้นเราก็อยให้มันฟรีๆอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆก็เติมสติให้รู้สึกรู้สึกลงไปการรู้สึกกับกายบ่อยๆอย่างนี้แหละก็เรียกว่าเป็นการภาวนาขยันรู้สึกขยันรู้สึกจิตมันก็จะเจริญได้แทนที่จะไปกับอารมณ์ต่างๆก็กลับไปอยู่กับเนื้อกับตัว มันก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตได้เหมือนกัน ท, ทั้งๆที่เราก็มีความรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมรู้ตามตำราแต่ถ้าไม่ลงมือที่จ ะ, จะเจริญหรือปฏิบัติเนี่ยเราก็จะรู้แบบรู้ไม่จริงมันจะเป็นการรู้เกิดจากความคิดคิดรู้แต่การเจริญสติเนี่ยเป็นการสัมผัสรู้รู้ลงไปที่ของจริงเพราะรู้ของจริงเนี่ยมันก็ไม่สงสยัยไม่สงสัยแล้วมีความมั่นใจ จิตมันก็เปลี่ยนจากความหลงไปกับอารมณ์มารู้สึกตัวมากับตัวเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนหรอกก็สายร่างกายนี่แหละมาเป็นที่ปฏิบัติธรรมซะเคลื่อนไหวก็รู้แต่ว่าการรู้กายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะในกายแต่ละคนเนี่ยนอกอนจากการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันยัมีอาการต่างๆที่ออกมาจากกายด้วย อาการของกายก็คือเรื่องของทุกขเวทนาซึ่งทุกคนในหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยใช่ไเราไม่ได้รู้แต่เพียงกายอย่างเดียว เ, ออเราก็เห็นอาการต่างๆเป็นทุกขเวทนาเราจะเข้าใจเรื่องของกายมากยิ่งขึ้นว่ากายเนี่ยไม่เคยแสดงความสุขให้เราเห็นเลยไม่มีแต่เรื่อ ง, องความทุกขความร้อนความหนาวนี่มันก็หิวนี่มันก็จะขับจะถ่ายจะปวดจะเมื่อย เด็ก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกมันต้องมีการแก้ไขากายอยู่เรื่อยๆเลยพอเราแก้ไขแต่ละครั้งเช่นว่าเราหิวข้าวอนนี้เป็นทุกข์บีบคันแหละเอาเราก็ไปทานข้าวการไปทานข้าวเนี่ยเท่ากับเป็นการแก้ทุกข์ให้กับร่างกายพอทานข้าวอิ่มแล้วเราก็เรามีความสุขแล้วว่าเรามีความสุขมันไม่ใช่มันเป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ของกายพอปัญหาของความหิวหมดไปแล้วมันก็หมดปัญหาของความหิว แก้ทุกตัวนั้นได้แล้ว่ามีความสุขสมมติด้วยความสุขเนี่ยมันก็สุขไม่จริงหรอกปรเดี๋ยวมันก็หิวอีกอ่ะอ๋อกายเนี่ยมันต้องมีทุกนะมันก็เริ่มมีการเห็นทุกขของกายทุกขเวทนาเราก็เห็นกายเรามันเป็นความจริงอ๋อมันเป็นทุกแล้วเราก็จะไม่ค่อยจะไปยึดมั่นถือมั่นมาแล้วความทุกมันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นหรอกมีไว้ให้เรารู้เท่านั้นมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวทนาอย่างเดียว มันจะมีความคิดปรุงแต่งมันมีเรื่องของจิตด้วยค่ะมีเรื่องของจิตมีเรื่องของความคิดอ๋อเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีในสิ่งสิ่งเดียวเก่าที่เราเห็นเน่ยในคนคนเดียวกันที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราก็ว่าเขาดีแล้วเปรียนเป็นไม่ดีซะละในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันเนี่ยเรา่าเรามองคนเนี่ยถูกใจหร<ด>ือไม่ถูกใจ <c oughs> ว่ากันไปสลับกันมาครับเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็ว่าเรามีความสุขเดี๋ยวความสุขของความคิดที่ว่าสุขนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นไม่สุกแล้วสิ่งนี้เราชอบเราชอบได้ไม่นานเดี๋ยวเราไม่ชอบแล้วโอ้ยความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เลยเสมอเสมอเห็นความไม่เที่ยงความคิดไอ้เราก็อยากใช้มันคิดดีๆอย่ากคิดแต่เป็นกุศลอยากคิดแต่มีความสุขพออยู่ไปอยู่มาอ่ะความคิดไม่ดีมาอีกแล้วความคิดที่เป็นทุกข์มาอีกแล้วแสดงว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นอนัตตานะเรา เชื <führ> ่อมันไม่ได้เลยเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ให้ได้อย่างใจเราไม่ได้หรอกอ้อเข้าใจเรื่องความคิดและความคิดมันมาจากไหนมันก็มาจากจิตเออจิตเนี่ยจิตที่คิดว่าเป็นเราเนี่ยมันก็เป็นผู้ที่ผลิตความคิดออกมาทางนั้นโอ๋ยตัวจิตเนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ได้อ้อตัวจิตมันเป็นตัวโรงงานผลิตความหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่เลยอยเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราดีเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไม่ดีอ แล้วคนทั่วไปก็เชื่อความคิดเพียงแค่เรารู้กายอย่างเดียวนะแล้วก็เห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตเห็นทั้งธรรมะในส่วนเดียวกันเลยออกมาจากกายไม่อย่างกับเราอะไรเราดูนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นเฉพาะนาฬิกาหรอกเราเห็นเข็มนาฬิกาเห็นเลขเห็นยี่ห้อเห็นประเทศผู้ผลิตรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เพียงแค่เห็นในสิ่งสิ่งเดียวนั้น เพราะนั้นผมเพียงแค่เริ่มต้นรู้กายไปเรื่อยๆมันก็เห็นอาการของกายเป็นเวทนาเห็นอาการของจิตคือความคิดเห็นจิตเห็นธรรมะรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันในตัวสิ่งที่เรารู้เราเห็นนัตนเองมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้มันก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตแบบเนี้ชีวิตที่อาศัยการรู้สึกตัวแบบนี้หละ่ะล้วก็จะใช้ได้แบบตลอดชีวิตไปเลยเป็นที่พึ่งตลอดไปมันเลยเกิดความมั่นใจเออ มั่นใจในครูบาอาจารย์ที่แนะนําวิธีการปฏิบัติมั่นใจในวิธีการปฏิบัติมั่นใจในธรรมะถ้าคนเรามีความมั่นใจแล้วก็มันก็ไม่มีความกังวลไม่ต้องกังวลถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตไม่ต้องกังวลถึงเรื่องปัจจุบันเพราะเกิดจากความมั่นใจตรงนี้หละมันก็เปลี่ยนจากชีวิตที่เลวร้ายกลับกลายเป็นดีได้เปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความไม่ทุกได้เหมือนกัน อันนี้ถือว่าเป็นปัญญยายที่เกิดจากการเจริญสติค่ะ <c oughs> ทีนี้มีคําถามที่ชัดตรงไปกว่านี้อีกนะคะอาจารย์ว่าเป้าหมายในการใช้ชิถ่องอาจารย์ในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะ <c oughs> อาจารย์เดินมาถึงจุดนี้แล้วค่ะปฏิบัติธรรมจเจริญสติภาวนาด้วย <c oughs> วิธีกายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานจนมีเพรา ะ, ะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วช็อตต่อไปแล้วค่ะอาจารย์มีเป้าหมาย สำหรับโลกนี้และโลกหน้าอย่างไรชีวิตที่ผ่านจากอดีตที่มาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีแล้วหลุดรอดมาดีแล้วแต่เรื่องในอนาคตเรื่องเป้าหมายนี่มันยังไม่มีนะเพราะว่ามันมันยังมองเห็นว่ามันสิ่งนั้นมันยังไม่มีหรอกในเรื่องของอนาคตเนี่ยถือว่ามันความรู้สึกของผมว่ามันไม่มีมันอาจจะมีได้ก็เพราะเราคิดมันขึ้นมา เพราะนั้นจึงไม่มีเป้าหมายอะไรไม่ได้คิดว่าต่อไปจะทําอะไรเพื่ออะไรไม่ได้คิดลึงล่วงหน้าแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ก็เอาละเมื่อเริกไม่ทุกข์จะปัจจุบันนี่ถ้ามันจะมีพุ่งนี้มีมาลืนมีชาติหน้าพบหน้าก็ไม่ต้องกลัวละมีความมั่นใจละเรามีเครื่องมือของพระเจ้าคือเครื่องมือที่เรียกว่ารู้สึกตัวนี่แหละถืว่าเป็นจุดรอดของชีวิตเรา อยู่แบบไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรหรือมีเป้าหมายว่าจะต้องชีวิตแบบไหนต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอนาคตเลยตรงเป้าหมายในโลกนี้ก็ไม่มีเป้าหมายในโลกหน้าก็ไม่มีคือไอ้การมีแต่ละครั้งหรือการจะต้องเลือกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาอย่างหนึ่งไม่มีความพลุงพลังอย่างหนึ่งไอ้ความมีความเป็นเนี่ยมันเป็นความพลุงพลังนะก็เลยไม่เอาเสียเลย เราอยู่กับความรู้สึกตัวแบบไม่เป็นอะไรเมื่อไปเป็นอะไรแล้วมันจะเอาอะไรแล้โลกหน้ามันจะไปทําอะไรมันดูแล้วมันก็แปลกในความรู้สึกนะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้แบบหน้าที่ปัจจุบันก็ใช้ชีวิตแบบทําหน้าที่อีกไม่ช้าเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปซะแล้วก็อยู่แบบทําหน้าที่ถ้ามันจะมีโลกหน้าเอราก็ไม่น่ากังวลละเพราะโลกนี้มันดีโลกหน้ามันก็ต้องดีชีวิตเราเนี่ยอยู่อย่างไรมันก็ไปอย่างนั้น อาจารย์คะแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมโดยส่วนมากโดยเฉพาะผู้ที่ทําอะไรได้เยอะหน่อยหรือว่าปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าหน่อยเนี่ยนะคะท่านก็มักจะมีการอธิษฐานสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นี่มีก็มีเพื่อนของเราสงสัยมาละคะ่ะว่าแล้วสาหรับตัวอาจารย์กรรมพลทองมุนุ่มเนี่ยนะคะได้เคยอธิษฐานสร้างบารมีอะไรไว้ไหม<อ>ทั้งสําหรับโลกนี้แล้วก็โลกหน้าถ้าหากว่าชาติหน้า ย, ยังต้องเกิดอยู่อีกเนี่ยนะคะครับ ก็ไม่เคยคิดว่าจะสร้างบารมีอะไรนะคิดว่าทุกวันนี่เราอยู่แบบมีหลักของชีวิตเนี่ยก็เพียงพอแล้วมันเหมือนอย่างกับว่าบารมีเนี่ยมันมีแล้วต้องไปสร้างอะไระมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นเราทานข้าวเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วต้องไปทานอะไรอีกละ่ะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของบุคคลตัวไหก็อธิษฐานไปเถอะการได้อธิษฐา น, เ, นเป็นสิ่งที่ดีอธิษฐานเพื่อจะให้จิตเราเนี่ย อาจารย์กำลังจะบอกว่าดีสําหรับคนอื่นแต่สําหรับอาจารย์เนี่ยคิดว่าโอเคละไม่ต้องอธิษฐานอะไรอย่างนั้นแล้วเปล่ะก็ไม่ไม่มีอนาคตไ อ, อย่างบางคนเขาปฏิบัติธรรมมามากๆเขาก็ปรารถนาเป็นพุทธภูมิหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาเนะีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีอธิษฐานสุดที่ดีเนี่ยแต่อย่าลืมว่าอธิษฐานนะไม่ใช่อ้อนวอนก็ทําไปเถอะถือว่าเป็นประโยชน์แต่สำหรับผมนี่ไม่ได้อธิษฐานอะไร ชีวิตทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วมันพอแล้วสำหรับทุกวันเนี่ยแล้วเรื่องอนาคตนี่ไม่เคยกังวลว่าจะเป็นอย่างไรจะไปเกิดเป็นไรไปอยู่ที่ไหนไม่กังวลมันเกิดความมั่นใจว่านี่แหละตรงนี้แหละเรามาถูกทางแล้วมันดีแล้วมันดีแล้วไม่ต้องจะเอาอะไรคือคนเราเนี่ยบางทีสมมุตินะเป็นอุบายประมาว่าเราอยากจะเจอคนที่ดีสําหรับเรามีพร้อมทุกอย่างสำหรัเราเนี่ยสวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกฉลาดที่สุดในโลก แล้วก็มีความพร้อมที่ในโลกนี่มันก็พอแล้วไปจะไปหาใครอีกหลันพอใจแล้วว่างั้นเถอะ แ, แต่จริงๆความพอใจของอาจารย์ที่จุดเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเาทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์ไปซะหมดเพียงแต่ว่าเราพอใจในจุดที่เรามีอยู่เป็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะครับมันมีความสุขที่เราจะแบ่งปันกันได้ในเรื่องมนแง่คิดคือคนเราเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยความพอใจคพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็น แล้วก็ยอมรับกับมันได้ยอมรับแล้วก็พอใจเนี่ยผมว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยอยาจะมีความสุขต้องรู้จักพอใจแล้วก็ยอมรับแต่ไม่ใช่อยู่ยแค่นี้นะล้วก็ควรจะทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราอยู่ในโลกนี้อยู่แบบไม่เป็นอะไรเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เลย ธรรมกคาถาวันนี้นะคะก็เห็นทีว่าจะเอวังลงด้วยความที่ว่าแท้จริงสุขนั้นอยู่ใกล้เพียงจิตพอใจสุขเสมอทำดีดีดนป่นเปรอบำเรอใจสุขทุกเมื่อเอ่ย